บุ๊กทูหกสิบ t จ้าสตีทเจ้าส n ีท a n ่ธนาคารนุบัผมต้องการเปิดบัญชีดูโทรศัพท์มือถือการธนาคาร เ a อฮับเงาะวากาดิบังการ์นี่คือหนังสือเดินทางของผมอู r ์เดรโอนีพาชัพอร์ตันทิมาอูร์เดรโอน o พาชัพอร์ตันทิม i และนี่ที่อยู่ของผมเคียวอชต์อะดริซาอิมาเคี ผมต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของผม d e p o s i t l e ใ l o g a r i time d e p o s i t l e l o g a r i time ผมต้องการถอนเงินจากบัญชีของผม Terre l k e l o g a r i i m e t r e l Nga ผมต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชีดัวตมาลค็อปปิเอตเอลูการิสด o วตมาลค็อปปิเอตเอลผมต้องการแลกเช็คเดินทางดัวตสุเอญเช็คอ t i ติมิด t h ตสุ n อญเ e k u d ุต t i m i ค่าธรรมเนียมเท่าไร่ครับสตลอร์ตยานยานตาริารฟตผมต้องเซ็นชื่อที่ไหนครับคุตเฟฟิรม ส, รมสผมกำลังรองเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน นี่คือเลขที่บัญชีของผมอ ร, ร, มรน เ, นเร์เรอนีนูมร์นเอโลโกริสเงินเข้าหรื อ, อยางครับอคัคนบริทูเล็กต์อัคนบริทูเล็กตผมต้องการแลกเงิน ตัว t ี่ค็ตัวที่เสือ่ยดเล็ ก, ลกผมต้องการเงินดอลล่าสหรัฐมดูหันดอลลาร์อเมริก a นม า, นาร์อเมริกนกรุณาขอแบงก์ย่อยครับไมเ่เป็นเล็กทวกละย e เ, เล็ล ที่นี่มีตู้เอทอมไหมครับอาคาคตูมโดยบังคสอามัตสสามารถถอนเงินได้เท่าไหร่ครับเซเลกมุนเตอร์รอเฮชชนใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างครับ c f a r ร์คั t ์ทัชครีดิต mund të p ë r d กรุณาไปที่ w w w b o o k t o d e สำหรับหนังส so ือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด